เขาก็มีคำพูดกันใช่ไหมว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาสก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองหาโอกาสดีๆในวิกฤตได้ไหมอย่างช่วงนี้เขาก็ให้เราอยู่บ้านให้เราจำกัดการทำงานจำกัดการเดินทาง ให้เคลื่อนย้ายสถานที่น้อยๆถ้าคนไหนสามารถทำงานที่บ้านได้ก็ทำงานที่บ้านไปการที่เราจะมาพบปะเจอกันก็ให้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวเสริมแทนมันก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากที่ จะไปไหนมาไหนขับรถไปได้ตามใจไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้เที่ยวที่นูนที่นี่ก็เจอคนมากหน้าหลายตาพอมีโรคระบาดแบบนี้ก็ต้องจำกัดวงเคลื่อนตัวน้อยๆก็เพื่อป้องกันนะเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองขึ้นจะป้องกันคนรอบข้างไปด้วย ต่างคนต่างป้องกันกันไปมัน ก, ก็เรียกว่าดํารงตนบนวิถีที่ไม่ประมาทแต่ถ้าแต่ละคนแต่ละคนไม่มีความกลัวต่อโรคภัยมันก็จะเหมือนหลายๆประเทศที่เขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ต่างคนก็ต่างไม่ป้องกันตัวเองไม่รักษาตัวเอง ก็ทำให้ควบคุมยากเอาควบคุมยากมันก็เตลิดปะกว่าจะควบคุมได้ก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ว่าเรามีความกลัวใช่ไหมแล้วเราก็คอยดูแลคอยป้องกันตัวเราให้ดีมันก็คืนชื่อว่าเราก็ได้ดูแลป้องกันคนอื่นด้วย ในขณะเดียวกันถ้าต่างกลนต่างคิดอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าได้ดูแลซึ่งกันและกันซึ่งมันก็ําให้เราเห็นนั่นแหละว่าการที่เรามีความกลัวใช่ไหมเราก็จึงเริ่มที่จะทำความดีให้กับตนแต่การที่เรากลัวก็ต้องมีลิมิตเหมือนกันอยากให้กลัวจนถึงขั้นที่ว่า เป็นวิตกจริตเป็นวิตกวุ่นวายกลัวเกินเหตุมันก็เครียดแต่เรากลัวพอประมาณกลัวในแบบพอดีพอดีเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทมันทำให้เราไม่เฉยแฉะเราไม่นิ่งนอนใจเราก็เร่งทำความดีที่จะป้องกันเรื่องไม่ดี อะไรที่เราต้องทำให้มันดีเราก็ได้ทำให้มันดีได้ใช้เวลานี้แหละทำให้มันดีอย่างทุกวันนี้มันเห็นได้ชัดเน่ยเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมใช่ไที่ว่ามีโรคระบาดเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทำยังไงให้เรามีสุขะ อ, อนามัยที่มันดีขึ้นป้องกันการแพร่เชื้อจาก คนอื่นมาสู่เราหรือถ้าเราเป็นเราจะปฏิบัติตัวยังไงให้เราไม่ไปเป็นพาหะไปสู่คนอื่นนี่เราจะมีวิธีการดูแลรักษาตัวยังไงในฝ่ายพวกเทคโนโลยีเขาก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเยอะแยะไปหมดทางการแพทย์ก็เร่งหายาป้องกันหายารักษาหาวัคซีนที่จะมา รักษาทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้ถูกเร่งนแหละถูกเร่งกระบวนการถ้าเป็นเวลาช่วงเวลาปกติที่มันไม่ใช่เวลาของโรคระบาดแบบนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ทำไปเช้าชานเย็มชามไปง่ายๆเพราะมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ สถานการณ์มันบีบบังคับเนี่ยทุกคนก็ต้องเร่งแหละเร่งที่จะทาเร่งทำงานะ่ะให้มันมากขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่นิ่งนอนใจเหมือนเก่าอันนี้โรคภายนอกมาบีบคั้นโลกใบนี้ให้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ใช้ชีวิตแบบใหม่ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับ สถานการณ์ของโรคภัยอันนี้ก็เห็นได้ชัดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศสั่งสอนมานานแล้วตั้งสองพันเกือบหกร้อยปีแล้วว่ามันมี โ, โรคที่เรียกว่าโลภะโทสะโหมหะราคะเป่าประกาศมานานมากแล้ว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้เนี่ยพอขึ้นชื่อว่าโควิดเนี่ยคนก็กลัวใช่ไหมแต่พอบอกว่าโลภะโทสะโมหะกับกลายเป็นเฉยๆทั้งๆ ท, ที่หมู่นักปราดบันฑิตทั้งหลายเนี่ยพอได้ยินคำว่าโลภะโทสะโมหะราคะหรือตัณหาโอ้โหมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะ มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลัวอยู่ในใจแหละ ว, ว่าเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโรคทางใจนำความทุกข์มาให้แล้วมันไม่ใช่ทุกเฉพาะตอนนี้นะถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดูแลบริหารจัดการมันรักษามันให้หายได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ร่ำไปชาตินี้ชาติต่อไปชาติไหนๆมันก็ติดตามเราไปเรื่อย มันจึงเห็นว่ามันเป็นโรคที่น่ากลัวนะแต่พอเรามีคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงประกาศเอาไว้เนี่ยพูดทุกวันพูดบ่อยๆพูดเรื่อยๆผ่านมานานหแรมปีหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีมันก็กลายเป็นเรื่องที่จะชินชาเฉยชาไป แต่การที่รู้สึกชินชาเฉยชาเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้กิเลสโรคของกิเลสโลภะโทสะโมหะเหล่านี้มันคลายความน่ากลัวลงไปได้คลายความมีพิษ ส, สงของมันลงไปมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ยังมีพิษ ส, สง์เท่าเดิมก็ยังทำร้ายทาลายหมู่สัตว์ได้แบบเดิม แต่สิ่งที่มันพัฒนาไปก็คือว่ามันทำให้ใจของคนในด้านชาไม่กลัวแล้วก็เห็นคำสอนไม่ได้ลึกซึ้งลงไปในคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงเอาไว้ว่าความน่ากลัวของกิเลสเนี่ยมันน่ากลัวนะความดีเยี่ยมของธรรมะที่จะเอาไว้ต่อสู้กำจัดกิเลสเนี่ยมันดีนะ เพราะความรู้ความเห็นทางสัญญาอารมณ์ทางสัญญาความจำมันก็ทำให้อ Impact ที่มันมีต่อใจของคนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยมี Impact แล้วละ่ะคำสอนจึงไม่ค่อยมี Impact กับใจคนเท่าไหร่ถ้าเราลองย้อนกลับไป สมัย 2,600 ปีก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงประกาศสั่งสอนเวณนยศัตร์เริ่มต้นที่ปัญจวคีทางห้าใช่ไหมก็มีพระอัญญาโกรทนยะเป็นปฐมสาวกได้ทรงประกาศความย่ำแย่ของทางเดิน วิถีทางเดินของหมู่สัตว์สองทางคือทางที่มุ่งไปสู่ความเบียดเบียนตนแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เบียดเบียนตนไม่เกิดประโยชน์ทำความเพียรก็ทำความเพียรแบบไปเปล่าเปล่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรอีกทางหนึ่งก็คือทางที่มัวเมาความสุข ในกามทั้งหลายมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายก็เป็นเส้นทางเนี่ยที่หมูสัตว์ส่วนมากจะอยู่ในเส้นทางนี้สมัครพระองค์ก็จึงทรงประกาศเนี่ยความย่ำแย่ความหลอกลวงโทษของเส้นทางสองเส้นทางอันนี้ แล้วก็ได้ทรงแสดงทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือที่เราคุ้นเคยกันตอนนี้ที่เรียกว่าอริยมรรมีองแปะนี่แหละทางเส้นนี้ที่ทรงประกาศเอาไว้ว่าเป็นทางที่มันจะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสถ้าพูดว่า เปรียบเทียบเหมือนคนเป็นโรคเนี่ยก็จะเป็นยาที่จะเอาไว้รักษาโรคอันนี้ได้แล้วพอรักษาหายแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคนแข็งแรงจากคนที่เคยป่วยกระเสาะกระแสะกระเสาะกระแสะก็จะกลายเป็นคนที่หายป่วยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตมีความสุขที่มากขึ้น พอเราได้หายป่วยจากโรคที่เรียกว่ากิเลสแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ไม่ดนพัฒ น, นาการจากกรรมแล้วก็ไม่มีความเห็นผิดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆใจเราก็เป็นไทยใจเราก็ปลอดโปร่งเบาสบายอีกทั้งผลของการที่เราได้ละสมุทัยคือตัณหาออกจากใจ ไม่ยึดถือมีความรู้แจ้งประจักษ์ใจแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไหยตายเกิดก็ไม่ต้องกลับมาอยู่ในวงจรของการเวียนไหยตายเกิดโดยมีกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวชักนำอีกแล้วก็ย้อนกลับมาตรงที่พระัญญากุณธัญะนี่ยแหละก็มี เวลาที่ได้ฟังฟังพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแจกแจงแล้วเนี่ยก็มีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจรู้เห็นตามความเป็นจริงจนถึงขนาดอุทานขึ้นมาว่ายังกินจิสมุทธยธรรมมังสัพพันตังเนโรทธรรมมังสิ่งได้สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาการที่ถึงขนาดเปล่งอุทานออกมาได้เนี่ยแสดงว่ามันมี Impact กับใจมากมันกระทบใจมันมีแบบสั่นสะเทือนอยู่ในใจนะจนถึงขั้นนี้เก็บเอาไว้ข้างในไม่ไหวถึงขั้นขนาดเปล่งเป็นเสียงออกมาข้างนอก แสดงว่ายาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยาชั้นเอกยาชั้นเลิศพอได้รับได้รับไปแล้วเนี่ยมันรักษาโรคหายได้จริงไม่เหมือนกับยาที่เคยทดลองมาต่างๆนานาที่ตนได้เคยแสวงหาแต่พอได้รับยาขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นที่เรียกว่านี่แหละยาขนาดนี้แหละ ที่เราเฝ้าไฝ่หาตามหามานานที่มันจะรักษาโรคของเราได้ความปีติความยินดีที่ได้พบได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้สัมผัสจนมันเป็นเหมือนคนได้กินยานั่นแหละมันเป็นยามันก็เข้าไปในร่างกายใช่ัหมแล้วมันก็รักษาให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นจริงๆ มันก็ฉันได้ฉันนั้นเนะ่เวลาที่ได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์แสดงแล้วแล้วก็ได้เห็นผลประจักษ์ที่ใจมันก็จึงได้เห็นโทษจริงๆแหละว่าไอ้ไอ้โรคที่เรียกว่ากิเลสโรคที่มันมีสาขาที่เป็นฝ่ายโลภโทสะโมหระราคะเนี่ย พอหายแล้วเนี่ยมันจึงยิ่งเห็นโทษอะว่าไอ้ตอนที่เราเนี่ยป่วยกระสอบกระแสเนี่ยโอยมันไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่ดีเลยแต่พอเราเริ่มดีขึ้นเราหายจากโรคนี้ได้เนี่ยโอ้ยมันดีมากจริงๆอันนี้นีคือการหายจากโรคที่เรียกว่ากิเลสนะมันไม่รู้จะเอาคำบรรยายมาอธิบายยังไงให้ให้คนสมัยนี้พอที่จะ เข้าใจอะไม่ต้องอะไรมากนะอย่างถ้าเราเปรียบเทียบอะอย่างตอนที่คนที่เขาต้องโดนกักตัวเพราะรู้ว่ามีเชือ้อไอโควิดเนี่ยเขาก็ต้องโดนกักให้อยู่ในโรงพยาบาลบางคนก็อยู่เป็นเดือนเหมือนอย่างอะไรนักร้องอะสองคนนะผัวเมียเนี่ยพอเขาได้กลับบ้านเท่านั้นแหละ โอ้ยน้ำตาจะไหลสาบซึ่งว่าโอ้ยฉันได้กลับบ้านแล้วนะฉันหายป่วยแล้วนะจะได้กลับไปเจอครอบครัวได้กลับไปเจอลูกคนที่ไม่ได้ป่วยคนที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแบบเขาเนี่ยก็คงจะเข้าใจแค่ผิวๆแต่คนที่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะซึ้งใจจริงว่าเออการที่ได้ หายป่วยแล้วมันได้กลับบ้านเนี่ยมันดีมากเลยนะมันมันซึ้งใจลงไปอันนี้มันแค่ความประทับใจภายนอกอมันยังเข้าไปมีอิมแพ t กับใจได้ขนาดนี้แต่การที่เราได้รักษาโรคโลภะโทสะโมห oh ะราคะให้หายขาดได้จากใจเนี่ย โอ้โหมันไม่รู้จะยังไงแหละมันต้องดีกว่ามากแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายอีกไม่ต้องเมายุ่งวุ่นวายกับความสุขความทุกข์ที่มันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดไปแล้วมันก็คือหลอกลวงอะหลอกลวงกันไปพบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็จบกันไปพอเราไปสวยพบชาติใหม่ก็มาหลอกลวงแบบนี้อีกแหละ หลอกให้เรามาเวียนตายเวียนเกิดสูงบ้างต่ำบ้างถ้าใครที่เห็นเห็นว่ามันเป็นภัยเป็นโรคที่มันมีฤทธิ์ร้ายแรงต่อต่อความเป็นเรานะถ้าใครเห็นภัยอันนี้ได้เห็นภัยในวัฏฏะอันนี้ได้ก็จะต้อง รีบรีบที่จะหาทางออกรีบที่จะมุ่งหน้าเดินไปสู่เส้นทางที่เราจะหนีออกจากวัตฏะทุกอันนี้ได้แต่มันก็ไม่ได้ลําบากลําบนอะไรมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบุกเบิกทางเอาไว้ให้แล้วทรงกรุยทางให้แล้วมันเป็นทางที่ เราไม่ต้องด้นเดาเกาวหมัดอะไรตอนอะไรต่อไปนะเราก็รู้แหละ ว, ว่าเส้นทางนี้เดินไปให้ดีก้าวเดินไปให้ได้ไม่หยุดไม่ออกนอกทางเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางแบบที่พระพุทธองค์ทรงไปถึงแล้วและเราอารหันตสาวกทั้งหลายก็ได้เดินถึงแล้วเช่นเดียวกัน เรามีความมั่นใจได้เลยว่าพระพุทธองค์ก็เสด็จไปสู่จุดหมายปลายทางเรียบร้อยเราอรหันตสาวกก็ไปถึงเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ในสมัยนี้เราครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ยังดำเนินบนเส้นทางที่พระพุทธองค์สดแสดงเอาไว้แล้วแล้วก็ ได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงรับเหมือนกันเป็นผู้ที่ปราศจากความทุกข์ความทุกข์ต่างๆก็ไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด อ, อีกก็มีประจักษ์พยานให้เราได้เชื่อมั่นเชื่อมั่นในศาสดา เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นทางเนี่ยที่ใครๆก็สามารถไปได้จริงขอแค่ให้ทำจริงตั้งใจจริงเห็นโทษในวัตตะให้มันซึ้งลงไปในใจจริงๆให้มันเห็นโทษอย่างจริงจังแบบนี้เนี่ยมันจะได้มีกําลังใจที่จะได้ประพฤติปฏิบัติ มุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์ให้มันได้จริงๆ จ, จังๆแต่คนที่รู้ว่ามันดีแต่ความรู้สึกว่ามันเป็นภัยเป็นโทษมันยังไม่ซึ้งลงไปในใจมันยังไม่เห็นโทษจนทราบซึ้งลึกซึ้งลงไปในใจมันก็เหมือนเด็กสร้างบ้านะก็จำจดไปทาทาเลิกกเลิกเลิกทาทําเลิกเลิกทำไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละ มันก็ไม่ค่อยได้มีความก้าวหน้าเท่าไหร่แต่คนที่เห็นโทษเห็นภัยเห็นความร้ายกาจของการที่เราจะต้องทนทุกข์จากการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นับกับนับกันไม่ท้วนเนี่ยเขาจึงต้องรีบร่งไม่ประมาทรีบขนขวายความดีงาม เริ่มต้นด้วยที่สตินี่แหละสติที่เราจะคอยระลึกรู้มีเครื่องอยู่ให้ใจระลึกรู้ที่ลมหายใจหรือคำบริกรรมพุทโธ ท, ที่อยู่เฉพาะหน้าเราก็ต้องพยายามพยายามฝึกฝึกที่จะมีสัมมาสติให้มันแข็งแรงเข้มแข็ง เพราะว่าทำทั้งหลายที่เราจะใช้เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ทำทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสติเป็นตัวกากับมีสติเป็นพี่เลี้ยงมีสติคอยเคียงคู่ไปตลอดแต่ถ้าจะพูดไปมันก็ดูเหมือนเยอะแยะใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเมตตาอุเบกขาหรือว่าความเพียรยิ่งถ้าใครได้ไปเปิดตำราวิชาการไปดูหมวดข้อธรรมต่างเนี่ยได้ยินได้ฟังเหล่าครูบาอาจารย์ที่ท่านแจกแจงหัวข้อธรรมได้วิจิตพิสดารเราก็จะเห็นว่าโอ้ย มีเยอะแยะเลยมากมายแต่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจงจะทรงแสดงได้ละเอียดลออขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายท่านก็บอกว่าหลักใหญ่ๆเนี่ยขอให้ทำให้ได้ก็สามข้อนี่แหละก็คือมีศีลมีสมาธิแล้วก็ปัญญา ซึ่ง3ข้อตัวนี้จริงๆมันก็อยู่บนทางเดินที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละ8อย่างรวบแล้วมันก็เหลือ3เส้นทางถ้าใครไม่มีจริตนิสัยที่ชอบในความที่จะต้องรู้ในรายละเอียดเยอะๆเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องรู้เยอะหมดรู้แค่3ข้ออันนี้ให้มันละเอียดแล้ว อ, อให้มันดีเยี่ยม ใน33มหัวข้อนี้อันนี้ไปได้แน่นอนอย่างศีเนี่ยก็มีสีห้าเป็นพื้นเราก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วเนี่ยว่าสีห้าเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยยังบกพ่องตรงไหนอยู่บ้างอย่างสมาธิเรามีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นตั้งมั่น บนอารมณ์ของกุศลอยู่เรื่อยๆเนืองๆไหมหรือว่าเรามีใจที่มันเผลอเพลินไปทางการมวิตกอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเราเผลอเพลินไปทางการมวิตกบ่อยๆเรามีสติที่เราจะเท่าทันไหมที่จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเผลอเพลินไปแล้วก็ได้ย้อนกลับเข้ามา พึ่งอยู่ที่พุโทโธพึ่งอยู่ที่ลมหายใจจำเพาะหน้าซึ่งทำได้แค่นี้เนี่ยใจเราก็จะมีอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ฝ่ายดีอะ่ะไม่ใช่อารมณ์ขยัแบบเก่าๆล้าก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้ปรับสภาพ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเหมือนคนกินเหล้า่าเงี้ยอวัยวะภายในเนี่ยมันก็ย่าแย่ไปอย่างคนกินเหล้าเดี๋ยก็ตับพังแหละแต่พอเลิกเหล้าได้กินอาหารดีๆมันก็ได้รับการปรับสภาพฟื้นฟูถึงมันจะไม่ร้อยเท่าเก่าแต่มันก็ดีขึ้นแหละ สีสันมันก็ดูมีสีปกติขึ้นไม่ดำคล้ำชั้นไดฉะนั้นน่การที่เราคอยระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆได้อย่างต่อเนื่องบ่อยๆมันก็ทําให้ได้รับการปรับสภาพจิตใจดนปรับสภาพให้มันเป็นจิตใจที่มีคุณภาพที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีขึ้น ใจไม่สัดสายวกแวกไม่เร่าร้อนไม่ขุ่นมัวพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หัดที่จะหมั่นมาพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆให้เห็นถึงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาที่เที่ยงแท้ก็คอยเตือนตนอยู่อย่างนี้บ่อยๆหรือเราอยู่ว่างๆเราไม่มีอะไรเราคอยดูลมไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอยู่บ้างเห็นตัวเองเดินอยู่บ้างหรือว่าเห็นว่าตัวเราเป็นโครงกระดูกบ้างเห็นตัวเราเป็นของ ไม่สะอาดบ้างส่วนใจก็เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นก็ให้หมั่นมีสติ ค, คอยชาระใจอย่างนี้แหละให้ใจเรามีที่พึ่งที่ดีให้อยู่กับพุโทโธให้ได้บ่อยๆเป็นเบื้องต้นพอเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธใจเราแนบแน่นอยู่กับพุโทโธดีแล้วเนี่ยก็ มันที่จะมาพิจารณาให้มันเห็นถึงลักษณะสามัญญลักษณะที่เรียกว่ามรรจาลักษณะคือความไม่เที่ยงทุกคลักษณะคือความเป็นทุกข์อนัตตลักษณะคือความไม่มีตัวตนเที่ยงแท้ก็หมั่นที่จะดูอย่างนี้แหละเราใจของเราเนี่ยมันไปยึดไปถืออะไรแล้วก็ พิจารณาเรื่องนั้นมากๆใจมันจะได้ไม่ผูกคิดผูกติดรู้จักที่จะปล่อยคอยหมั่นคอยมีสติแล้วก็ฝึกฝนอย่างนี้เรื่อยๆบ่อยๆเนืองๆไป